คนไหนลืมบุญคุณเขารับรองว่าทำมาหากินไม่ขึ้นจะทำอะไรก็ต้องเจ๊งยายสอนขณะที่หลานชายนวดให้แหม่ยายของผมเก่งจังพูดภาษาจีนก็ได้ด้วยนี่ขนาดไม่ได้เรียนหนังสือนะถ้าเรียนคงพูดฝรั่งอังกฤษเสียงฟุตฟิตฟอร์ไฟอ l เลฟ y o ยูใครสู้ไม่ได้เชวละ คนเป็นหลานพูดใครชื่นชมแต่แท้จริงตั้งใจข่มเรื่องที่ยายไม่รู้หนังสืออย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดคนอายุ84กล่าวห้ามถึงยายจะไม่ได้เล่าเรียนเขียนอ่านแต่ก็ยังฉลาดกว่าคนบางคนที่ยิ่งเรียนก็ยิ่งโง่ยิ่งโตก็ยิ่งเซอร์ข้อนี้เองเห็นด้วยไหม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 จะถึงวันโกนอีกแล้วหรือแล้วเอ็งคิดว่าวันโกนคือวันอะไรละ่ะไหนลองชี้แจงให้ยายฟังทีสิว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าวันโกนสมัยผมเด็กๆพวกเราจะพูดกันว่าวันโกนกระโถนแตกวันพระกระทะแตกบางทีก็ว่าวันโกนโดนไม้เรียว วันพระฉะาเขานิว้วแต่พอโตขึ้นผมถึงได้รู้ว่าวันโกนคือวันที่พระเนนโกนผมหลานชายตอบนั่นวันโกนสำหรับพระเนนซึ่งท่านก็ต้องโกนผมกันเดือนละครั้งทีนี้สำหรับครวาดละ่ะวันโกนคือวันอะไรยายทำไมวันนี้ยายมาแปลก ผมเพิ่งจะรู้ว่ามีวันโกนของคารวาดด้วยแต่คงไม่ใช่วันที่เขาโกนผมหรือว่าตัดผมนายายแล้วก็คงไม่ใช่วันที่โกนหนวดหรือโกนขนรักแร้หรือว่าใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าผมยอมแพ้ยายช่วยเฉลยให้ผมฟังก็แล้วกันทำไมวันนี้เองถึงยอมแพ้ง่ายๆล่ะไอ้หนูยายรู้สึกแปลกใจ ผมถือคติแพ้เป็นพระชนะเป็นมารครับยายอ้าวก็ไหนเองว่าเองเกลียดพระแล้วทำไมทึงอยากเป็นพระละ่ะยายเริ่มรุกโดยเห็นเป็นโอกาสผมเกลียดเป็นบางวันวันนี้มันจำเป็นก็เลยไม่เกลียดคนอายุสิบหาทางไปจนได้เอาละเอาละยายขี้เกียจเถียงกับเอง ตกลงจะบอกให้เอาบุญก็แล้วกันยายรวบรัฐตัดใจความและจึงอธิบายให้หลานฟังว่าวันโกนสำหรับคารวาสนั้นหมายถึงวันเตรียมการคือจัดเตรียมข้าวของตั้งแต่อาหารหวานคาวไปจนถึงผ้าผ่อนท่อนสบายเพื่อจะไปรักษาอุโบสถถือศีลที่วัดในวันพระเป็นเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืน แต่เดี๋ยวนี้ยายไม่ต้องไปนอนวัดแล้วนี่ครับคนเป็นหลานแยงถึงอย่างนั้นก็ยังต้องเตรียมการเหมือนกันไม่ว่าจะไปค้างวัดที่วัดหรือว่าไปเช้าเย็นกลับยายก็ต้องตระเตรียมทุกอย่างให้พร้อมในวันโกนส่วนเองก็มีหน้าที่หาบของไปส่งในตอนเช้าและก็รับกลับในตอนเย็นเหมือนที่ปฏิบัติอยู่ในวันพระนั่นแหละครับ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 สวรรค์ซึ่งเขาฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าและที่ยายเน้นมากที่สุดก็คือเรื่องเทศมหาชาติยายพูดเสมอว่าผู้ใดได้ฟังคถาพันจบภายในวันเดียวจะได้อานิสงส์แรงตายแล้วจะได้ไปเกิดในาศาสนาพระศรีอาน ยายครับผมอยากฟังเรื่องมกะลีผลล้านชายเปลี่ยนเรื่องคุยอยากจะฟังตอนไหนก็บอกมาคือเล่าทั้งเรื่องคืนนี้ไม่จบเอาเป็นตอนตอนดีกว่าตอนหลวงพ่อช้างเหาะไปป่าหิมาพานกับแขกและไปพบมกะลีผลนะครับเองอยากรู้อะไรถามมาดีกว่ายายก็ชักจะลืมลือเหมือนกัน คนอายุเจ็ดรอบว่าถ้าเช่นนั้นผมขอถามว่าป่าหิมพานอยู่ที่ไหนเขาทดสอบความจำของยายหลวงพ่อว่าอยู่เลยภูเขาหิมลาลัยไปสิบหยอดอยากรู้อีกไม่ว่าภูเขาหิมลาลัยอยู่ที่ไหนยายถามแบบเดาใจหลานออกทั้งที่รู้ว่าเขาแกล้งถามอันนี้ผมรู้แล้วครับ เพราะในหนังสือเรียนมีก็ยังดีที่อุตส่ารู้ว่ามีในหนังสือยายนึกว่าเองซื้อหนังสือมาไว้ดูเล่นซะอีกเพราะไม่เคยเห็นอ่านสักครั้งแม่ยายแล้วก็จับผิดผมอยู่เรื่อยล้านชายต่อว่าไม่ได้จับผิดแต่เองเป็นอย่างนั้นจริงๆเรื่องเรียนไม่เห็นเอาใจใส่ดีอยู่หน่อยตรงที่ช่วยงานยาย คนเป็นยายไม่วายติติแล้วก็ชมก็ยังดีกว่าหาความดีไม่ได้เลยคนเราก็ยังนี้แหละยายดีบ้างชั่วบ้างใครเลยจะดีทุกอย่างชั่วทุกอย่างถึงไอ้โจนห้าร้อยมันก็ยังมีดีอยู่บ้างจริงไหมครับยายเขาหักนิ้วเท้ายายทีละนิ้วให้มีเสียงดังก๊ก เองจะฟังเรื่องมักกะลีผลไม่ใช่หรือยายทวงครับป่าหิมะพันเป็นอย่างไรบ้างครับยายและมีคนไปเที่ยวเยอะไหมไปยังไงหลวงพ่อท่านว่าเป็นที่อยู่ของพวกฤษีชีไพรพวกโยคีบำเพนตบะพวกวิทยาธรคนทันมีสัตว์หิมะพันต่างๆมากมาย การไปป่าหิมพ า, านต์ไปได้สามวิธีคือไปด้วยฌานสมาบัติวิธีนี้ต้องสําเร็จฌานด้วยการเจริญวายโยกสินแล้วก็เหาะไปดุดลมพัดวิธีที่สองคือสําเร็จปลอดคือทำปลอดอมเหาะไปอย่างที่ยายเคยเล่าเรื่องแขกมาตกที่ป่าวัดตึกกาชาแต่คนที่ทำปลอดต้องได้ฌานสมาบัติด้วยการเจริญ เตโชกศิลเพราะถ้าเคี่ยวด้วยไฟสูบแบบที่เขาหล่อพระปลอดนั้นก็จะระเบิดแตกหมดต้องใช้เตโชกสินแทนไฟธรรมดาวิธีที่สามคือไปได้บุญวาสนาหมายความว่าไม่ได้ชานสมาบัติและก็ไม่ได้องปรอดแต่เดินทางผ่านเขาช่องแคบไป วิธีนี้คนที่มีบุญวาสนาเท่านั้นถึงจะไปได้เพราะช่องแคบที่ว่านั้นหายากมากหลวงพ่อท่านว่าอากาศที่ป่าหิมะพาลหนาวเย็นมีหิมะปกคลุมนอกจากนี้ท่านยังบอกว่าแขกเป็นโยคีคนนั้นยังพาท่านไปดูเขาวงกฏที่พระเวสสันดรโพธิสัตว์มาอยู่บำเพ็ญบารมีเป็นชาติสุดท้าย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 หลวงพ่อท่านว่าบรรณาลาของพระเวสสันดรก็ยังอยู่อายุสาม0มื่นปีแล้วต้นมักะลีผลก็เช่นกันมีอยู่ทั้งหมด16หต้นแขกที่เป็นโยคียเล่าว่าเมื่อพระพุทธศาสนามีอายุครบ 5,000 ันปีเมื่อไหร่บรรณาสลากับต้นมักกะลีผลก็จะหายไปหายไปยังไงยายคนเป็นหลานซัก ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เพราะพระอินทร์ท่านเนรมิตขึ้นมายายกำลังจะพูดว่าพระอินทร์ก็มีจริงเอ็งไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนินาหลวงพ่อช้างท่านอธิบายว่าพระอินทร์เป็นเทวดาที่ปกครองสวรรค์ชั้นดา ว, วดึงไม่ได้เป็นองค์เดียวกันตลอดองค์ที่เนรมิตบรรณาศาลาและต้นมกอีผลขึ้นมานั้นน่ะ เมื่อพระเวสสันดนกรกลับชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระอินองค์นั้นก็กลับชาติมาเป็นพระอนุรุทเทระซึ่งบัดนี้บรร ล, ลุพระนิพพานไปแล้วพระอินที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงในเวลานี้จึงเป็นองค์ใหม่ทำไมพระอินต้องมาเนรมิตให้ด้วยละยายคนถามเริ่มจะสนใจแม้ไม่เชื่อเมื่อฟังอะไร เขาจะไม่เชื่อทันทีและเขาก็ไม่ปฏิเสธทันทีอีกเหมือนกันกลัวยายจะว่าเขาโง่เรื่องมันยาวนะไอ้หนูเรื่องกรรมเรื่องการเวียนตายเกิดมันซับซ้อนและลึกซึ้งมากชีวิตหนึ่งต้องเวียนตายเกิดไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติพราะกรรมบรร ล, ลุปรินิพานเมือ่อใดชีวิตหนึ่ง ต้องเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติเพราะกรรมบรรลุพระนิพพานเมื่อใดเมื่อนั้นจึงจะหยุดเกิดหยุดตายกันเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีหลายองค์เหรอครับถูกแล้วก่อนที่จะถึงพระพุทธเจ้าของเรา ก็มีพระพุทธเจ้าอุบัติมาแล้ว24องค์เช่นพระทีปังกรพระวิปัสสีพระสิกขียายจาได้ไม่หมดทุกพระองค์หรอกพระพุทธเจ้าของเราเป็นองค์ที่25และที่จะมาอุบัติเป็นองค์ที่26คือพระสีอานเมื่อพระพุทธศาสนา มีอายุครบ 5,000 ันปีแล้วหลังจากนั้นโลกก็จะว่างไปชั่วระยะหนึ่งแล้วจึงจะถึงศาสนาพระศรีอานคนที่จะได้พบศาสนาพระศรีอานจะต้องเป็นคนมีบุญคนโบราณเชื่อกันว่าถ้าใครได้ฟังคาถาพันจบในวันเดียวตายแล้วก็จะได้ไปเกิดในศาสนาพระศรีอาน ถ้าเช่นนั้นยายต้องได้พบพระสีอานแน่เพราะฟังคาถาพันธ์มาตั้งแต่เด็ ก, ดกๆก็เห็นจะเป็นอย่างนั้นเอ็งไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรยายพูดประโยคเดิมๆอีกเล่าเรื่องพระเวสสันดรต่อทยายคราวนี้คนฟังเปลี่ยนมาหักนิ้วมือให้คนอายุแปสิบสหักให้มีเสียงดังก็ที่ยายเล่า ว, ว่า เรื่องพระเวสสันดรเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นหมายความว่าในสมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งนับถอยหลังจากนี้ไป91็ดกัปมีกษริย์พระองค์หนึ่งสวยราชสมบัติในนครที่ขึ้นกับนครพันธุมาดีได้ส่งดอกไม้ทองและก็แก่นจัน์มาเป็นบรรณาการแด่พระเจ้าพันธุมาราช พระเจ้าพันธมราชทรงประทานของสองสิ่งนั้นให้แก่พระธิดาทั้งสองพระธิดาผู้พี่ได้นำแก่นจันทร์มาบดเป็นผงและก็นำไปถวายพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งตั้งความปรารถนาขออนิสงสในการถวายผงจุนแก่นจันทร์นั้นให้พระนางได้เป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ในอนาคตตการเมื่อพระนางสิ้นชีพจากชาตินั้นก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์จุติจากสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทรงเป็นราชธิดาของพระเจ้ากิกิกราชเกิดเป็นเทวดาแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกกระขับยายได้สิไอหนเทวดารือนางฟ้าก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน ถ้ายังไม่บรรลุพระนิพพานก็ต้องเวียงหว้อยู่ในสังสารวัตรอย่างไม่รู้จักจบสิน้นและยังไงอีกยายพระธิดาองค์นั้นเป็นยังไงอีกล้านชายอยากรู้ทั้งที่ไม่เชื่อพระนางมาเกิดเป็นพระธิดาของพระเจ้ากิกิราชมีพระนามว่าสุธรรมมาเมื่อพระธิดาสุธรรมมาสิ้นชีพ ก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงทรงพระนามว่าพุทสดีเป็นเอกอัครมเหสีของพระอินกรันบทบุญจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จุติแล้วมาอุบัติในโลกมนุษย์อีกครั้งนี้เป็นพระบิดาของพระเจ้าศรีวิราชพอพระชนมายุได้1 6บพรรษาก็ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุง สยชัยแล้วก็มีพระโอรสคือพระเวสสัมดอนยายเล่าแบบรวบรัดตัดใจความเพราะจำมาอย่างนี้แล้วมันเกี่ยวกับมักลีผลยังไงละยายหลานชายถามเกี่ยวสิใจเย็นๆไอ้หนูเอาละช่วยเปิดประตูลมที่ข้อเท้าให้ยายอีกสักทีแล้วจะเล่าให้ฟัง เมื่อล้านชายทําตามยายจึงเล่าต่อเออยายเล่าข้ามไปนิดหนึง่งคือเมื่อเทพธิดาผุดีจะจุติจากสวรรค์มาบังเกิดในโลกมนุษย์ได้ขอพรสิบประการจากพระสวามี เทพมหาชาติกันแรกชื่อทศพรก็ชื่อพรสิบประการที่เทพธิดาพุสดีทูลขอจากพระอินแต่ยายจงไม่ได้หมดหรอกเมื่อก่อนจำได้เดี๋ยวนี้พอแก่ตัวลงมันก็เลอะเลือนไปเอาเป็นบางข้อก็แล้วกันเช่นขอให้พระนางได้มาบังเกิดในประสาทแห่งพระเจ้าศรีวิราช ขอให้พระนางมีพระนามว่าพุทธ ด, ดีเหมือนกับที่อยู่บนสวรรค์เป็นต้นพระอินทร์ก็ประทานพรทั้งสิบประการ น, นั้นแด่อัครมเหสีพุทธ ด, ดียายแล้วถ้าผมไปขอพรจากพระอินทร์บ้างจะได้ไหมครับล้านชายถามอย่างนึกสนุกไม่รู้สิยายไม่ใฉ่พระอินทร์คนอายุ8ปตอบยนยวน ถ้ายายเป็นพระอินยายจะให้พรผมไหมคนอายุส6หถามอีกก็ยังไม่รู้อีกนั่นแหละต้องให้ได้เป็นพระอินเสียก่อนถึงจะรู้แม้ยายแล้วก็ขี้เหนียวไม่เข้าเรื่องแค่พรก็ยังไม่ให้คนเป็นหลานต่อว่าหยุดนวดเสียทไมละ่ะนวดต่อไปสิยังไม่หายปวดเมื่อย ยายสั่งเมื่อล้านชายนั่งเฉยอยู่ผมขี้เกียดนวดที่ยายยังขี้เกียจให้พรนี่นาะนุมน้อยทำกระเงา้ากระงอดจะให้ส่งเดชได้ยังไงล่ะไอ้หนูพรนั้นเราจะต้องสร้างต้องทำของเราเองไม่ใช่ไปเที่ยวขอจากใกลๆแล้วทำไมเทพธิดาผุดสดีขอจากพระอินทร์ล่ะ ที่ขอนั่นเพราะพระนางทำเอาไว้ก่อนแล้วคือตอนที่ถวายจุนแก่นจันแด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นถ้าท่านไม่เคยทำไว้พระอินทร์ก็ให้ไม่ได้เรื่องของกรรมใครใครทำใครได้นะไอ้หนูทำแทนกันไม่ได้พรก็คือกรรมดีถ้าอยากได้พรก็ต้องทำกรรมดี ยายเล่าต่อเถอะครับหลานชายออกจารำคารไม่อยากได้ยินเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเองก็นวดต่อสิครั้นหลานชายลงมือนวดยายจึงเล่าต่อในเวลาต่อมาเมื่อพระเวสสันดรถูกนรเทศให้ไปอยู่ป่าพระนางมัสซีและพระกัญหาพระชาลีก็ตามเสด็จด้วย พระอินจึงต้องเนรมิตบรรณศาลาให้เป็นที่ประทับและก็นเนรมิตต้นมะกอรีผลขึ้นมาส6หกต้นทำไมถึงต้องเนรมิตมะกะรีผลขึ้นมาด้วยระายายคนเป็นหลานสงสัยพระองค์ก็มีเหตุผลนะสิคือที่ป่าหิมพานมีพวกโยคีพวกกรษสีชีไพรใจลามกอยู่มากมาย เมื่อพระนางมัสสีออกหาผ ล, ลไม้มาถวายพระสวามีและพระลูกรักทั้งสองก็อาจจะถูกพวกนี้ปลุกปล้ำทำอนาจารเป็นฤาษีชีภัยยังอยากจะปล้ำผู้หญิงอีกหรือยายอย่างนั้นสิแขกที่เป็นโยคียแกเล่าให้หลวงพ่อช้างฟังว่าพวกฤาษีเหล่านี้บำเพ็ญพรตบำเพ็ญตบะมาเป็นพันๆปี แต่ก็ยังละกามคุณห้าไม่ได้พระอินเนรมิตรต้นมะกลีผลไว้ก็ด้วยเหตุผลนี้ต้นมะกลีผลมันไม่ออกดอกตามฤดูกาลแต่จะออกดอกเฉพาะวันที่พระนางมัตสีออกป่าหาผลไม้พวกฤาษีใจสกปรกเหล่าวนั้นก็จะพากันมารออยู่ใต้ต้นเมื่อมันหล่นก็จะเก็บเอามาทาเมีย แล้วก็จะถึงแก่วิสัญญีภาพสลบสไลดยไปสามเดือนถ้าอย่างนั้นตอนหลวงพ่อช้างไปพบก็ไม่ได้เห็นมันออกดอกนะสิครับพระนางมัดซีไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วหนุ่มน้อยคิดตามหลักของเหตุผลได้สิแต่แขกนั่นเล่าต่ออีกว่าหลังจากที่ไม่มีพระนางมัดสีแล้ว ต้นมักกะลีผลก็ออกดอกทุกวันมันจะบานตอนหกโมงเช้าหุบตอนหกโมงเย็นเจ็ดวันก็จะหล่นจากต้นพวกฤาษีวิทยาธรและคนทันก็พากันมาเก็บเอาไปทำเมียหล่นจากต้นแล้วห้าเดือนก็หมดสภาพคือมันจะเหี่ยวและก็ค่อยๆ ย, ย่อส่วนลงเพราะไม่มีกระดูก และตอนที่ยังไม่เหี่ยวตัวขนาดไหนครับหลวงพ่อช้างว่าขนาดเท่าสาวรุ่นรุ่นอายุส5บหสแล้วก็สวยมากคิ้วต่อคอปล้องนิ้วมือเรียวเหมือนลำเทียนไม่มีข้อนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยยาวเสมอกันส่วนนิ้วโป้งยาวลงมาถึงครึ่งหนึ่งของนิ้วอื่นๆไม่มีหายปาลา ผิวสวยมาลูกมาปรางสุกผมสีทองตาสีฟ้าลืมตาแป้วเลยแต่พูดไม่ได้ตาสีฟ้าเป็นยังไงครับตาดำหรือตาขาวที่สีฟ้านะยายตาขาวส่วนตาดำก็เป็นสีทองหลวงพ่อท่านเล่าละเอียดจนยายมองเห็นภาพ ท่านบอกต้นมะกะรีผลสูงใหญ่ใบเหมือนใบมะม่วงแต่ใหญ่เท่าใบกล้วยดอกคล้ายดอกกล้วยไม้มีพวงละห้าดอกคือในพวงหนึ่งจะมีผู้หญิงห้อยอยู่ห้าคนมีหัวมีคั่วคล้ายหัวมังคุดแม้หลวงพ่อท่านน่าจะเก็บมาให้ญาติโยมดูสักดอกหนึ่งนะยายนะ ยายจะได้เห็นเป็นขวัญตาท่านคงทำอย่างนั้นไม่ได้นะซีเอาไว้เวลาเอ็นไปคอยเอามาฝากยายก่นแล้วกันยายรู้สึกง่วงจึงบอกหลานวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนถ้าอยากฟังพรุ่งนี้เล่ากันใหม่กลับไปนอนห้องเองได้แล้วอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระด้วยละ่ะ สวดอะไรกันทุกคืนทุกคืนล่ะยายเสียเวลานอนเปล่าๆ ล, ล้านชายแยงเอาเถอะยายบอกให้สวดก็สวดพระจะได้คุ้มครองรักษาอย่าได้งบนอนมากนักเลยเอาไว้ตายเสียก่อนจะได้นอนไม่ต้องตื่นเชละยายประชดคืนรอให้ตายก็ง่วงแย่สิยายนมน้อยหยวน ง่วงก็รีบไปเสียไปรำคาญยายไล่สมล้านชายจึงกราบยายสามครั้งเหมือนกราบพระด้ยคิดว่ายายเป็นพระประจำใจของเขาจากนั้นจึงลุกออกไปยังห้องของตน